พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนาที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมสมณพราหมณ์เหล่านี้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าลทัทธิชนเป็นอันมากสมมุติว่าเป็นคนดีคือปุรณกัสปะมัคลิโคสารอาชิตะเกศสำพลปปุทะกัจจายนะ สัญชัยเวรัตบุตรนิครนนาตบุตรสมณพราหมเหล่านั้นทั้งหมดรู้อย่างชัดเจนตามปฏิญญาของตนของตนหรือทุกคนไม่รู้อย่างชัดเจนเลยหรือว่าบางพวกรู้อย่างชัดเจนบางพวกไม่รู้อย่างชัดเจนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ายาเลยพรามข้อที่ว่า สมณพราหมูพวกนั้นทั้งหมดรู้อย่างชัดเจนตามปฏิญญาของตนของตนหรือทุกคนไม่รู้อย่างชัดเจนเลยหรือว่าบางพวกรู้อย่างชัดเจนบางพวกไม่รู้อย่างชัดเจนนั้นจงงดไว้เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวปิงคละโกชพรามทูลสนองรับพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าบุคคลผู้ผสแสวงหาแก่นไม้พราหม์เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ที่อยูเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่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 เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือกและสเก็ยตไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนําไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทํจาจกไม่สําเร็จประโยชน์แก่เขาอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ที่อเสอสะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่ กลับมองข้ามแก่นไม้กระพีและเปลือกไปเข้าใจสักเกตว่าแก่นไม้จึงถากนําไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพลึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพีเปลือกสักเกตกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่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 แท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสา ะ, ะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจกระพี่ว่าแก่นไม้จึงถากนาไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสา ะ, ะแสวงหาแก่นไม้อยู่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 รู้แก่นไม้ว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทําจกสำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ชั้นใดกิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์พราม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 ไม่พยายามเพื่อทําให้แจ้งทําเหล่าอื่นอันยิ่งและประนีกว่าลาบสักระและความสรนเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสา ะ, ะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพีเปลือกและสะเก็ดไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนําไป และกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทจาจกไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่ามีอุปมาชันนั้นสเกตแห่งพรหมจันทร์ บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบันปะชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุบายาครอบงามแล้วถูกความทุกข์ครอบงามมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสรนเสริญให้เกิดขึ้น เพราะลาบสักระและความสัรเสรนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสรนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเขาสร้างชันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประนีกว่าลาบสักระและความสันเสริญ ท, ท, ท, ทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จ เพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธ ร, รมอันหนึ่งเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทาให้แจ้งทรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและปราณีกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อน ท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพีและเปลือยไปเข้าใจสกักเจตว่าแก่นไม้จึงถากนาไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่า มีอุปมาฉันนั้นเปลือกแห่งพรหมจรรย์บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะครอบงำแล้วละถึง การทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาปวดแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสรนเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสัรเสริญ น, น, น, น, นั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสรนเสริญ น, นั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะ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 ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรผันเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งทําเราอื่นอันยิ่งและประนีกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่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 และมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสรินนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งทำเหล่าอื่นอันยิ่งและประนี ก, กว่าลาบสักระและความสันเสรินทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สาเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้น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 เพราะยานทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะยานทัศนะนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอยู่ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอยู่อันหนึ่งเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งทำเหล่าอื่นอันยิ่งและปราณีตกว่ายานทัศนะทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอย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 เขาบวดแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสันเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสันเสริญ น, นั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสริญ น, นั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทาให้แจ้งทำเหล่าอื่นอันยิ่งและประณี ก, กว่าลาบสักระและความสรเสริญ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 ทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทํายาณทัศนะให้สําเร็จเพราะยาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกอย่างไม่สมหวังเพราะยาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทําให้แจ้งทำเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีต ก, กว่ายาณทัศนะทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอย ธรรมอันยิ่งและประณีกว่ายาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศสลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุข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 บรรลุจตุทชาญอยู่แม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งและประนีกว่ายานทัศนะอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะชาญโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้แม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งและประนีกว่ายานทัศนะอีกประการหนึ่ง เพราะล่วงอากาษานัญญาตนะชานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณัญญาตนะชานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้และถึงเพราะล่วงวิญญาณัญญาตนะชานได้โดยประการทั้งปวงภิษุบรรลุอากินจัญญาตนะชานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรและถึงเพราะล่วงอากินจัญญาตนาชานโดยประการทั้งปวง ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญ า, าญานะฌานอยู่แม้ทมข้อนี้ก็ยิ่งและประนีกว่ายานทัศนะอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญาญตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอย่อมสิ้นไปแม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งและประนีกว่ายานทัศนะ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 จึงตัดนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แขนไม้ทํจาจกสําเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคล น, นี้ตถาคตเรียกว่ามีอุปมาฉันนั้นพราหมณ์ดังพนานามาชนี้พรหมจันนี้จึงมิใช่มีลาบสักระและความสรนเสริญเป็นอานิสง์มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอานิสง์มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งสมาธิเป็นอานิสง์ มิใช่มีญานทัศนะเป็นอานิสงส์พรหมจันทร์นี้มีเจโตวิมุตต์อันไม่กระเราะเป็นเป้าหมายเป็นแก่นเป็นที่สุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปิงฆะโกชพราหมเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิกของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดม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 พระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. กระจูปะมะสูตร 2. องอะคทูปะมะสูตร 3. วัมมิกสูตร 4. รัฐวินีตสูตร 5. นิวาปสูตร 6. ปาสราสิสูตร 7. จูลหัติปโทรประมะสูตร 8. ป มหาหัตถิปโทปะมะสูตรเก้ามหาสารโรประมะสูตรสิบจูละสารโรประมะสูตรสี่มหายามกวักหมวดว่าด้วยทำเป็นคู่หมวดใหญ่หนึ่งจูละโคสิงคสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสารวันสูตรเล็กเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะตําหนักอิดในบ้านชื่อนาทิกะสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระขีมิละอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกร้น เข้าไปยังป่าโคสิงคาสารวันนายทายาบาลผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลแล้วเด้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีคุรบุตรพระเทระสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนคุรบุตรทั้งสามนั้นเลย เมื่อนายทายาบาลกราบทูลพระผู้มีพระภาคอยู่นั้นท่านพระอนุรุธทธะได้ยินแล้วจึงได้บอกกับนายทายบาลว่านายทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราจะเดจมาถึงแล้วครั้งนั้นท่านพระอนุรุธทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่า รีบไปกันเถิดท่านรีบไปกันเถิดท่านพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระาศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาท พระผู้มีพระภาคประทับนั่งหน้าพุทธอาฏที่ปูลาดไว้ครั้นล้างพระบาทแล้วท่านทั้งสามรูปนั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระอนุรทุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ไม่ลำบากด้วยบินธบาตหรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบินธบาตเธอทั้งหลายยังพร้อมเพียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือขอประทานวโรกาส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 เป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจรรยเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นเมตตากรยกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามนโนกรรมในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้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 ข้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังพร้อมเพลียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันและกันด้วยนตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละเอธยยะ อ, อ, ท, อธทั้ท ง, ทงหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าขอประธานวโรกาศข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้อย่างไร ขอประธานวโรกาสบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบินทบาทจากหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ปูลาดอาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ตั้งท่าสําหรับไว้รูปใดกลับจากบินทบาทจากหมู่บ้านทีหลังถ้ามีบินทบาทที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ําที่ไม่มีตัวสัตว์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 ข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมมีคะถาตลอดคืนอย่างรุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะ